บุ <Book> ๊กท80ปดคําคุณศัพท์สาม sefatah เธอมีสุนัขหนึ่งตัว u y o r สุนัขตัวใหญ่ s e y e b u z u r เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวอูยิคไซยบูจูรดอรเธอมีบ้านหนึ่งหลังอูยิคคอเนดอรบ้าหลังเล็กคอนเนยคูชากิสเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังอูยิคคอเนยคูชักดอร เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งอ d d ท r i k Hotel Zendegi Mie k o n a โรงแรมราคาถูก Hotel a r z o n i e s, เ, <S เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกอ d d a r i k Hotel a r z o n Zendegi Mie เขามีรถหนึ่งคัน อยากขดรถ ร, รถราคาแพงขรเรอเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันอดยดรเรอนดเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องอู๋อยโรมนมีนนิยายน่าเบื่อ โรแมนคาสติอนเดอสเขาอ่านนิยายหน้าเบื่อหนึ่งเรื่องอูยกโรแมนคาสตอนเดมีคนดเธอดูหนังหนึ่งเรื่องอูยกฟิล์มทมาโมีคนาดหนังหน้าตื่นเต้นฟิล์มมุฮัยยจิส